243. นิยสกรมรมะกะถาว่าด้วยนิยสกก ร, รมเรื่องสงลงนิยสกก ร, รมแก่ภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาด 412. ิภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัติมาก ต้องอาบัตกำหนดไม่ได้อยู่คลุกคลีกับขรหัดด้วยการคลุกคลีกับขรหัดอันไม่สมควรถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้เป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ อยู่คลุกคลีกับขรืหัดด้วยการคลุกคลีกับคฤอหัดอันไม่สมควรเอาละพวกเราจะลงนิยสกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสง์แบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงนิยสกรรมเอาละ่ะพวกเราจะลงนิยสกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นละแบ่งพวกโดยชอบธรรมละแบ่งพวกโดยทำปฏิรูป ละพร้อมเพียงกันโดยทาปฏิรูปแล้วลงนิสยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาดนั้นสู่อาวาดอื่น